ท่าฝั่งที่เคารพคะท่านได้ปฏิบัติธรรมกันมาตามสมควรแล้วนะคะและถ้าหากว่าจะจํากันได้ในต้นสัปต์นี้เองท่านพิบูลน์ก็ได้ย้ําให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านมาร์กสอนนั่นแหละล้ําค่ามากที่สุดเพราะว่าจะทําให้เราสามารถเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตได้แต่ว่าเราก็จะต้องเป็นคนที่เพียรสม่ําเสมอโดยรอบคอบนะคะคือต้องทํำบ่อยๆนั่นแหละและทําให้ถูกด้วย ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะพบกับท่านพิบูลนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะนมรส ก, การคะ่ะเจริญพรค่ะในเรื่องของอเป็นผู้มีอานาจเหนือจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายวันนี้เราอาจจะพูดเรื่องการปฏิบัติก็ได้นะคุณโยมติ๋วเนาะดีค่ ะ, ะพูดถึงพระพุทธเจ้าพูดถึงอธิบายเอาไว้ว่าไอ้คําว่ามีอำนาจเหนือจิตมีอานาจเหนือจิตเนี่ยมันหมายถึงยังไงะนะก็คือว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่จะดําริเรื่องใดก็ดําริเรื่องนั้นได้ นะไม่ต้องดำริเรื่องใดก็ไม่ต้องดำริได้หรือว่าจะตริตรึกเรื่องใดก็ตริตรึกเรื่องนั้นไดนะ้ไม่ต้องการจะตริตรึกเรื่องใดก็ไม่ต้องตริตรึกเรื่องนั้นได้อันนี้เป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตนเนาะแล้วก็เคยมีครั้งหนึ่งบอกว่าพระองค์เนี่ย น, นั่งสมาธิอยู่ในโรงกระเดื่องใช่ไหมตอนนั้นฝนตกพรำๆอยู่โรงกระเดื่องนี่คือโรงที่เขาทำข้าวนะสมัยก่อนนะก็มีครกกระเดื่อง เ, อเสร็จแล้วก็ปรากฏมีฝนตกพรำๆแล้วก็ฟ้าผ่าใหญ่มาก บึมเลยปรากฏว่าฟ้าผ่านในครั้งนั้นเนี่ยทำให้โค ล, ลากเข็นคือโคใช้งานลากเข็นนะที่มันมีหนอกนนโนั่นนะตัวใหญ่ๆหตัวตายแล้วก็พี่น้องสองคนตายนะวัวลากเข็นสตัวพี่น้องสองคนตายแต่พระเจ้าเนี่ยไม่สะเทือนไม่สะเทือนเลยนะนั่งสมาธิอยู่ในโรงกระเดือเอ่องที่พูดตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าบางทีแค่ว่าคนมาจ่าเอ๋ข้างหลังเราเนี่ยเราก็สะดุ้งตกใจแล้ว ไม่ต้องพูดถึงฟ้าผ่านะฟ้าผ่านี่ยังแรงกว่าด้วยซ้ําใกล้ๆด้วยนะไม่ได้ไกลอแล้วก็บางทีเนี่ยเราไม่ต้องการคิดถึงหน้าไอ้หมอเนี่ยบางทีทําไมหน้าไอ้หมอนี่มันโผล่มาในจิตเราอยู่เรื่อยทำให้เราช้าอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นต้นนะหรือบางทีเราต้องการจะนึกชื่ออย่างที่ให้ตัวอย่างไปหรือคุณเข้าห้องสอบโอ้ยเคยอ่านผ่านมาแต่จําไม่ได้นะไอ้ข้อนี้แก้ปัญหายัางไงนึกไม่ออกเนี่ยก็คือเป็นผู้มีอานาจไม่มีอํานาจเหนือจิต หรือยังบางที่เด็กเนี่ยเด็กเข า, าต้องเตรียมตัวสอบเข้ามห า, าวทิทยาลัยหรือว่าสอบในโรงเรียนนะแต่ว่าอยากเล่นเกมมากกว่า เ, เด็กทําไมไม่มีอํานาจในการที่จะดึงตัวเองไม่ให้เล่นเกมนะจิตมันพาไปเนี่มันดึงเข้าไปเล่นเกมแทนที่จะมาอ่านหนังสือแสดงว่าเขาไม่มีอํานาจเหนือจิตนี่เป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ยังคนอ้วนนะคนอ้วนโอ้ฉันต้องไม่กินนะฉันกินแค่นี้พอล้วเดี๋ยวมือที่4มือที่หเดินผ่านซื้อของจุบจิบกินโอ้กินสบายปากเลย อันนี้ก็เพราะว่าไม่มีอำนาจเหนือจิตค่รวนะมถึงคนติดยาเสพติดด้วยเนะพวกที่สูบบุหรี่มวนต่อมวนนะแล้วก็มันอ ย, อยากอยู่เรื่อยอะทําไมเป็นอย่างนั้นนะนี่เพราะาไม่มีอำนาจเหนือจิตเป็นตกเป็นธาตุของบุหรี่ธาตุของสิ่งเสพติดธาตุของอาหารธาตุของปากธาตุของกินเลสบ้างกันเถอะเป็นเหยื่อของมารแล้วแต่มารผู้จะมีใจบาปจะทําอะไรอะไรกับเธอก็ได้คอืม อันนี้พู้ชาเคยเปรียบเหมือนกับกระต่ายถูกจับถูกสัตถ์ถูกถูกจับอยู่ในกรงดักหเวลามันเห็นในพระ น, นี้มันตัวสั่นเลยนะคหรือบางคนที่เคยจับหนูอะ่ะ ค, คือเดี๋ยวนี้ก็มีกรงดักหนูออกมาก็มีที่กุฏิเนี่ยนะเป็นประเด็นเลยนะคะท่านพูดเอาเอาความเอาความช่วงของตัวเองมาเปิดเผยนิดนึงคือปรากฏว่าเราก็มันมีหนูอยู่ในกุฏิเราก็เลยเอามาดักหนูใช่ไหมหนูเนี่ย พอมันเห็นเราเนี่ยมันตัวสั่นเลยคุณยมติ๋วเ้ยแล้วมันได้ยินเสียงแมวร้องเนี่ยนะมันตัวสั่นจนจนฉี่มันลาดเลยอ่ะมันกลัวขนาดนั้นนะคือเหมือนกันพวกสัตว์เนี่ยพอมันเจอเจอในพรานเนี่ยมันกลัวมากเหมือนการคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะโอ้ยเราถูกมารเป็นเหยื่อของมารเราจะถูกมารฉีกเป็นสิ่งเสียงด้วยตาหูจมูกลิงกายลักษณะนี่แหละนักเส่านิคระบ ดิฉันเองที่ว่าจะถามท่านพิบูลนั้นก็คือสงสัยอะค่ะเรื่องของการดักหนูเลยเพราะว่าลำทังแค่ดักเนี่ยดัเข้าใจนะคะแต่ว่าอย่างคนทั่วไปธรรมดาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าการกําจัดพวกอะไรล่ะหนูนี่เขาถือว่าเป็นอะไรนะคะถือเป็นสัตว์รบกวนเนี่ยทำได้ไหมจะทำะไม่ผิดศีลคะ่ะสำหรับพระใช่ไหมสำหรับพระ สำหรับพระและคนธรรมดาด้วยเลยอ๋อก็คือไม่ฆ่าเท่านั้นแหละไม่ฆ่าจับมาแล้วเป็นยังไงแล้วก็ไปปล่อยนอกวัดก็ให้ลูกศิษย์ก็ไปปล่อยนอกวัดแกนั้นเองคนธรรมดานี่ก็เหมือนกันใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่พระแล้วยกเว้นทําได้งใช่คือเรื่องการฆ่ามันก็ไม่ควรนะนะทีนี้ว่ามันอยู่ที่การออกแบบที่พักเรายังไงให้ให้มันมันไม่มาอาหารเราต้องไม่เก็บเอาไว้อแล้วก็ที่ทางอะไรไม่ให้มันมีทางขึ้นก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดค่ะ พระช่วงเนี้ยหลังน้ําท่วมมาน้ําท่วมอีกแล้วนะคะแวะสักหน่อยหนึ่งเพราะช่วงน้ําท่วมพวกสัตว์เขาก็รักชีวิตเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใสัตว์ทั้งหลายเคยมีที่อยู่ที่อื่นก็อาจจะมาอยู่ที่ที่มันปลอดภัยซึ่งมืนออื่นอยู่ที่ไหนไม่อยู่ดันมาอยู่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็รู้สึกเอ๊ะไม่รู้จะทํำยังไงดีหนูจ๋าออกไปหน่อยเธอะไม่ยอมออกค่ะอืมก็คงจะต้องช่วยช่วยเหลือกันไปพอน้ําลดแล้วก็ ค่อยเอาเขาไปปล่อยในที่ที่เป็นที่อยู่ของเขาจริงๆคงต้องเป็นอย่างนั้นสรุปว่ายากฆ่กันแล้วกันต้องใจแข็ใช่คือต้องช่วยเหลือกันเราต้องมองเห็นอย่างนี้ว่าเป็นสัตว์ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทั้งสิน้นขนาดมนุษย์เรายังต้องช่วยกันเลยนะคนที่เขาเดือดร้อนอยู่ในที่ที่น้ําท่วมไม่ได้เพราะเขาไม่อยู่ที่แห้งใช่ไหมเรายังต้องไปช่วยเอาอาหารเอาน้ําเอาอะไรไปให้สัตว์ตก็เหมือนกันไม่ต่างกันการฆ่าสัตว์ทะเลาะมากๆหรือสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์มากๆ มีแต่โทษ ม, มันมีข้อยกเว้นไหมคะว่าแต่บางประเทศเล็กๆขนาดนั้พรค่ะแปลว่าโอเคค่ะท่านเรื่องนี้มีประเด็นนะคุณยมเต๋วอย่างใช่นเรื่องของศีลเนี่ยเราถึงจะต้องมาดูคําสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นคําสอนที่ละเอียดลึกซึ้งรอบครอบแล้วก็ชัดเจน <S 1> <S 1> ตรงนี้นี่หมายความว่าพุทธเจ้าบอกเรื่องศีลเนี่ยต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อยใช่ไหมอ่ะเป็นอิสระจากทิฐิและตัณหาไม่ถูกตัณหาทิฏฐิรูปขลังเอาไล่ไปเลย คือศีลเนี่ยบางทีบางคนบอกห้ามฆ่าใช่ไหมบางพวกบอกว่าโอ้ยฆ่าคนที่ไม่ใช่พวกเราไม่เป็นไรแต่ฆ่าพวกเดียวกันไม่ทำนี่เขามีความคิดอย่างนี้ก็มีนะบางคน mm hmm. อย่างพวกโจรอย่างนี้เป็นต้นเอาฆ่าพวกคนคนรวยอย่างโรบินฮูดอย่างเงี้ยเขาไปป้นคนรวยป้นคนรวยช่วยคนจนใช่ไหมฆ่าคนรวยไม่เป็นไรแต่ว่าฆ่าพวกเดียวกันไม่ได้ฆ่าคนจนไม่เอาเขาไม่ทำก็มีคนทำระดับหนึ่ง อ้วไล่ต่อไปนะบางคนอาจจะละเอียดขึ้นมาหน่อยก็บอกว่าโอ้คนนี่ฉันไม่ฆ่าเลยแต่สัตว์นี่ยังฆ่ากินอยู่ฆ่าวัวฆ่าควายกินอยู่บางคนละเอียดขึ้นไปอีกบอกว่าเอ้สัตว์ใหญ่นี่ฉันไม่ฆ่าหรอกสัตว์ที่มีบุญมีคุณอย่างวัวควายเนี่ยฉันฆ่าแต่สัตว์ที่ทําอันตรายเราอย่างเช่นเสือกระทิงนะบางคนก็ละเอียดขึ้นไปอีกบอกว่าสัตว์ใหญ่พวกนั้นฉันก็ไม่ฆ่านะฉันฆ่าแต่สัตว์ทั่วๆไปหมูแมวหมาพวกนี้นะบางคนละเอียดขึ้นไปอีกบอกสัตว์เล็กๆเนี่ยฉันก็ไม่ทํา ทําแต่เฉพาะสัตว์ที่จะมาทำอันตรายเราอย่างเช่นตัวต่อบุ้งแมลงป่องอะไรพวกนี้นะละเอียดขึ้นไปอีกบางคนบอกสัตว์พวกนั้นฉันก็ไม่ทํานะฉันทําแต่สัตว์ถ้ามันไม่ทำอันตรายฉันก่อนฉันก็จะไม่ทําเขาล่ะแต่ถ้ามันทําฉันจะทําเขาเช่นยุงนะยุงมากัดเราจะตบยุงที่ไม่กัดเราก็ปล่อยมันไปในละเอียดขึ้นไปอีกนะคือไม่ค่าอะไรเลยค่ะนะแต่ว่าเล็กขนาดไหนล่ะที่เราถึงบอกว่าเราจะพอพระเจ้าก็ให้ เอาไว้นั้นถ้าเราไปดูในบทพยัญชนะตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าปานาติปาตาเวรามณีปานาติปาตาก็คือพวกปราณคือลมหายใจนั่นคือสัตว์ที่มีการลมหายใจนั่นคือมีปราณไว้เงั้นเถอะเพราะว่าถ้าอย่างสมมุติเชื้อโรคล่ะโอ้ยเชื้อโรคอยู่ในท้องเราก็มีเยอะแยะนะคุณโยมติว๋วพวกไมโครบที่มันย่อยอาหารจุลินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ย<ะ>ถามว่าคุณคุณอ้วกออกมาทีหนึ่งคุณกินน้ําร้อนเข้าไปคุณบางทีกินยาเข้าไปฆ่าเชื้อโรค ไอยาแอนตี้บารติกที่มันจะไปจัดการพวกแบคที ria อันนี้คุณฆ่าสัตว์ไหมค่ะเออมันมันจะทําให้เราเป็นผู้มีความกังวลใจอยู่ตลอดมีค ว, มมความกังวลใจอยู่ตลอดเพราะว่าถ้าเราคิดว่าโอ้ยเชื้อโรคแล้วฆ่าสิเนี่โอ้ยเราไม่สบายใจเลยจึงพริชา้าจึงต้องมีหลักเกณฑ์ตรงนี้ไงว่าเป็นสัตว์ที่มีปรานนะมไม่งั้นไม่งั้น<อ>คุณจะเดือดร้อนใจตลอดเวลางั้นเพราะว่าหลังน้ำท่วมนอกจากอย่างนั้นแล้วดินก็ได้ยินบอกว่า พวกเชืรานี่ๆๆมันจะเยอะเชื้อรานี่ก็มีชีวิตเหมือนกันใช่แต่ไม่มีปลาอย่างเงี้ยจัดการไม่ได้เลยใช่ไหมคะเออเป็นอย่างนี้ว่าคือถ้าทําแล้วหมายความว่ายัง ไ, ไงทําแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของศีลเนี่ยเพื่ออะไรก่อนจุดประสงค์ของศีลเนี่ยคือเพื่อความไม่ร้อนใจนะเพื่อความสบายใจนะ <c oughs> เ, ขเข้าใจไหมคือหมายความว่าถ้าเราฆ่าเนี่ยอย่างเราฆ่าเชื้อโรคถามว่าบาปไหมอาจจะบาปอยู่แต่ว่าจะร้อนใจถึงไหนว่าคุณทําสมาธิไม่ได้ไหมไม่เป็น อยังเราอุจจาระออกมาปึ๋งออกมาอย่างเงี้ยหุยพวกไมโครบชูลินซีอยู่ในอุจจาระต้องเยอะแยะเราคุณกดชักโครกลงไปนี่มันตายนะแล้วถามว่าเออคุณจะเดือดร้อนใจไหมคุณทาอย่างงี้ไปห้องน้ำทุกวันนะเนีนพระไปห้องน้ําทุกวันก็ค่าสาจะสิมันจะทําให้เรานั่งไม่สามารถนั่งสมาธิได้นะเกณฑ์ตรงนี้คือเพื่อความสบายใจไม่ให้จิตของเรามีความกังวลใจไม่งั้นเหมือนกับปริพาชกสมัยก่อนอินดอเดียเดี๋ยวนี้ก็ยังคงมีแหละ <M> ลเขาจะเอาไม้อันหนึ่งกุญยมติ๋วมาปัดข้างหน้า <C> e uh> เพื่อที่จะระวังพวกฉีเปลือยอะนะพวกเทื่อที่จะระวังไม่ให้สัตว์ตัวเล็กๆมาอยู่หน้าเขาแล้วเขาก็จะเหยียบจะอะไรอย่างเงี้ยเขารความระวัดระวังถึงขนาดนั้นนะซึ่งมันจะทําให้เรามีความกังวลใจมากเกินไปทําอะไรไม่ได้ค <C> e uh> ซึ่งเกณฑ์ตรงนี้คิดว่าชัดเจนที่พี่ชาบอกไว้เรื่องของสัตว์ที่มีปราน <c oughs> อันนี้ก็เป็นความรู้ที่ละเอียดมากขึ้นไปอีกที่บางครั้งบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบเป็นนัตเองเนี่ยฟังมาแล้วก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่อีกนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ ลืมลืมไปอหรือบางทีก็อาจจะยังไม่ทราบกันเลยเพราะว่าไปเดีนตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ที่จะมากับน้ําหรือว่าหลังน้ําลดเนี่ยนะค่ะอะคือว่าเราก็ทําเท่าที่เราทําได้เราเราผ่านอุปสรรคอะไรมามากแล้วก็อดทนเอาอะไรแก้ไขได้ก็พอช่วยๆกันก็ช่วยไปถ้าทําไม่ไหวไงก็ค่อยๆแก้ไปแหละอย่างเงี้ย ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราได้จากการสนทนากับท่านเพบุลในวันนี้แต่ท่านเพบุลบอกว่าวันนี้จะคุยเรื่องขอ ง, ของการปฏิบฏัติเป็นหลักค่ะจะไปต่ อ, อเรื่องปฏิบ<ะ>ัติเรื่องนี้น ะ, ะอย่างศีลอย่างเนี้ยศีลที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยนะสมมุติเราจะฆ่าเราก็ไม่ฆ่าเราจะเอาเขาไปทํำปุยปุยยาเราก็ไม่ทําการที่จิตของเรามา ล, ลึกได้แบบเออฉันไม่ทําหรอกฉั น, น, น, นเป็นคนมีศีลตรงเนี้ยเป็นศีลานุสติ สติคือความระลึกได้คุณโยมติว <Okay. S 1> ระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม่นนานได้ใช่ไหม <Okay. S 1> เราระลึกว่าเอ้ฉันไม่คนมีสีนะฉันจะไม่ทําความชั่วจิตของเราตรงเนี้ยมีสติทันทีน ะ, <Okay. S 1> ะเป็นจิตที่มีสติทันทีถ้าเราจิตต้องมีสติอย่างนี้นะนูนและจ่ออยู่แล้วที่ประตูสู่นิพพานนั่นเป็นนามธรรมเพราะว่าตรงนั้นเราจะมีโพชฌงทั้งเจ็ดใช่ไหมพอเรามีสติเนี่ยชื่อว่าสติสัมโพชฌงเจริญละ โคชงเนี่ยคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมค่ะเป็นองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีในการที่จะเข้าสู่บิดมคุดเอาแค่ว่าเราเราไม่ฆ่าสัตว์เราจะโกหกแม่เราจะโกหกเมียเราจะโกหกผัวอย่างเงี้ย้็ฉันไม่ทําหรอกฉันพูดความจริงแล้วกันเขาจะด่าเราก็ไม่เป็นไรอันนี้ดีมากนะคะจิตเราตรงเนี้ยไปถึงนิพพานได้เลยออืค่ะแล้วมันไม่ได้ยากอะไรมันอยู่ในชีวิตประจําวัน่ะแลอว ทุกเช้าตื่นมาฟังธรรมะด้วยเจอหน้าคนอื่นคือโอกาสเข้าวีมุดเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาไงคุณยมติวค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นว่าเอาตรงนี้เป็นทางนะตรงนี้เป็นประตูแล้วนะแม้แต่ทำไมเราเปิดไม่ได้สัทีอย่างี้ค่ะก็คือว่าท่านพิบูลน์กำลังจะบอกว่าอย่าไปคิดให้มันยากถ้ารู้ว่าจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรตามคาสอนของพระศาสดาก็จะได้มีกาลังใจ ที่<ช>จะปฏิบัติใช่ไหมคะใช่แล้วก็เรื่องที่มันยากก็คือว่าไม่ทําหรือว่าทําไม่ถูกทําไม่ถูกกับไม่ทำเนี่ยมันยากจริงๆที่จะไปถึงนะคุณมีแผนที่ผิดแล้วคุณจะเดินทางถูกเนี่ยมันยากมากๆไม่มีทางเป็นไปได้ออท่านพอจะยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งในวันนี้ไหมคะที่ได้พบมากจากผู้ที่ไปเรียนต่อจาก พคสข อ, คของท่านอ่พูดถึงเรื่องการปฏิบัติพบมากเลยเนี่ยคือคือมีความอยากอเอาแครงเรื่องง่ายๆโอ้ยทําไมนั่งสมาธิจิตไม่สงบเลยอยากให้จิตสงบนานเนี่ยแต่ผิดเพราะว่าความอยากเนี่ยจะทําให้จิตเราไม่มีทางสงบเพราะมันคืออะไรมันคือนิวรณ์ความอยากเนี่ยคือนิวรณ น, นิวรแปลว่า เ, เครื่องกางกั้นทําปัญญาให้ถอยกําลังนะเป็นกั้นจิตไม่ให้มีสมาธิอ่ะค่ะ นิบอลเนี่ยเราอยากให้จิตเราสงบมันไม่สงบให้หรอกคุณโยมติว e เพราะมันมีความอยากความอยากเนี่ยมันจะทําให้เราเดี๋ยวมันก็ไปทำตอนนี้ทีเดี๋ยวก็ไปทําอันนี้ทีแล้วก็ไปทำอันโน้นทีแล้วก็ไม่ได้สักอันหนึ่งแล้วก็เลยไม่ได้เลยอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของอุปสรรคของคนที่ปฏิบัติมาแล้วแล้วก็ไม่สําเร็จสักทีที่พบมาก e <s> <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ <c oughs> ความอยากอืเหมือนกับว่าเราเราต้องการความเบาแล้วอยังถือของหนักอยู่เรื่อยๆนะ เราไปหาของที่มันเบาๆมาเติมอีกของที่มันเบาๆมาเติมมันไม่มีทางเบาขึ้นหรอกไม่มีแต่จะหนักขึ้น uh huh. แมงทีทั้งคิดว่าโดนใจหลายๆคนเลยว่าเออเราก็มีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันนะสิเนี่ย uh huh. นะคะไม่ไปไหนสักทีหนึ่งเพราะว่าทั้งๆที่มันอยากมีความต้องการอย่างสูงสุดที่จะให้ตัวเองไปได้ uh huh. จเจริญก้าวหน้าได้วันนี้เราได้รู้นะคะว่าความอยากนั้นคือนิวรนเป็นอุปสรรคค่ะ uh huh. เป็นเครื่องกั้งกันท่านคะ ก็คงต้องพอแต่เพียงเท่านี้ก่อนไหคะวันนี้และคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงได้ประโยชน์จากท่านบูลเยอะทีเดียวค่ะก็จะพูดถึงนิดนึงตรงนี้ว่าเราเราจะแก้ตรงนี้ยังไงง่ายๆพระเจ้าให้ไว้ก็คือปล่อยวางซะ น, นนี่คือวิธีที่ดีที่สุดในคำสอนพระเจ้าเลยคือปล่อยวางความอยาก น, านแล้วเราจะได้แค่นี้แหละค่ ะ, คะนะจะเรียนควากค่ะอยากไม่ต้องรอให้ได้โดยการ อ, อยากไปเรื่อยๆปล่อยวางซะปล่อยวาแล้วก็ทําให้ถูกแค่นั้นเอง ค่ะนะก็นมรสร ก, การขอบคุณท่านพบูลในทางยิ่ง น, นะค ะ, ะค่ะท่านฟังค่ะวันนี้เหมือนกับได้เพชรก้อนใหญ่เลยนะคะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติกันอยู่จากท่านพบูลนะคะที่ได้เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะคือนำเอาพุทธวจนะของพระาศาสดามาตอบคาถามของพวกเรานะคะท่านฟังค่ะจะทางคำถามท่านพบูลโดยตรงก็ที่เพียวธรรมะ .com/106 นะคะและท่านก็จะได้นําอำคําถามนี้เนี่ยมาตอบเพื่อที่จะให้ผู้ฟังอื่นๆพลอยได้รับ ธรรมะเป็นความรู้จากท่านต่อไปอีกด้วยหรือว่าจะส่งมาที่0ูนย์ส0งสอหมายเลขของสถานีวิทยุครอบครัวข่าวที่ท่านกําลังฟังอยู่ในขณะ น, นี้ซึ่งเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่ท่านสามารถข อ, อนิสสืพุทโธจนะที่เราแจกให้เวลาสามเล่มเป็นคําพระศ า, าสระล้วนๆนะคะที่ท่านอาจารย์คริสติสโธิพโลวัฒนาประพงศ์ได้มอบให้กับพวกเรามาวันนี้เราก็ลากัไปแต่เพียงเท่านี้คะ่ะพุทโธสวัสดีนะคะ